ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสชุ์ในวันนี้จะได้พูดถึงพระพุทธชัยยมมงคลคาถาซึ่งเป็นคาถาที่เราเรียกว่าบทพาหง8บทตอนนี้เนื่องจากวันที่16จะเป็นวันมาคาบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงเริ่มด้วยกันติ ในอวาทภาธิโมกนั้นประการหนึ่งหรือประการหนึ่งในเรื่องราวเหล่านี้มีข้อที่น่าศึกษาสำเนีกเป็นนั้นมากในบทภาหุงนั้นพระโบราณอาจารย์ได้มาประพันธ์ไว้เป็นสามบรรทัดเท่านั้นเองว่าพระจอมมณีชงทรงชัยชำนะอารกยักษ์ซึ่งมีฤทธิ์มีอำนาจกุคามพระองค์มารอบทิศทาง ด้วยธรรมะคือขันติแล้วก็ขออำนาจมงชัยมงคลคาถานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านเริ่มดนด้วยเพียงเท่านั้นแต่ก็ความที่พิสดาร น, นั้นมาในสังยุตในกายในอาลวะกสูตรมีใจความโดยสรุปว่า เมื่อพระพุมีพระภาคจ้าเสด็จอยู่เสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันกรุงสาวัตถีในเมืองสาวัตถีในเวลาใกล้รุ่งข้องคืนวันหนึ่งได้ทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตวโลกก็ได้เห็นอุปนิสัยของอาระกยักษ์และอารวกะกุมารในเมืองอารวี จึงได้เสด็จไปประทับอยู่ในที่อยู่ของยักษ์ที่ชื่อว่าอ า, าวลกยักษ์ในตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปนั้นอ า, าวลกยักษ์เจ้าของที่ไม่อยู่ไปเฝ้าทาเวสวรก็มีเพื่อนยักษ์ด้วยกันผ่านมาพบเข้าก็ไปบอกอาโลกยักษ์ อารยกษ์เสร็จจากการเฝ้าท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มาด้วยท่าทางที่โกรธเกรี้ยวต่อพระพุทธเจ้ามากก็มาถึงคู่คุกคามอารวาส ด, ด้วยวิธีการต่างๆสำแดงแผลงอิทตริทีกันเป็นการใหญ่โตแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้อำนาจของอิทธานุภาคซึ่งเป็นอิทธิวิธิคือการแสดงฤทธิ์ของพระองค์ส ง, งบนิ่งแก้ ไขปัญหาเหล่านั้นจนในที่สุดอาลกยักษ์ได้คว้างผ้าขมเป้าพภกศีษะซึ่งถือว่าเป็นอาวุธมหาประลลยไปนในคราวนั้นไปให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าแต่ก็ทำอทำอะไรไม่ได้ก็เรียกว่าจบสิ้นกระบวนการต่อสู้แต่วันนิสัยของยักษ์ก็คือยักษ์เราต้องการแสดงอำนาจบาดใจต่อไปบอกก็เอาแหละเราทาอะไรท่านไม่ได้ ก็ขอให้ท่านออกมาในที่สุดพระพุทธเจ้าเสด็จลุกขึ้นตามคำบอกของอาโลกยักษ์จิตใจของแกก็เริ่มอ่อนนะฮะเพราะว่าเอาก็จริงคือตั้งแต่แกมานั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยทำอะไรแกแต่มีแต่แกทำอันตรายพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพ็อบอกให้ลุกขึ้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จลุกขึ้นบอกให้เดินออกมาก็เดินออกมา แกก็ใจอ่อนกันกว่าเออสมณะนี่ว่าง่ายดีลราก็สั่งให้กราบไปนั่งอีกพระเจ้าก็กราบไปนั่งเออบอกให้ลุกก็ลุกนี่บอกให้นั่งก็นั่งก็เรียกให้ลุกอีกชักขนองขึ้นมาทีนี้เรียกให้ลุกอีกลุกพรเจ้าก็ลุกสั่งให้กราบไปนั่งอีกก็ไปนั่งเอาเรียกให้ลุกอีกก็ลุกฮะลุกลุกให้สามครั้งนะคบอกให้กราบไปนั่งอีกก็นั่ง ก็ชักมันนะฮะทีนี้ชักจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเล่นแล้วบอกให้ลุกอีกไม่ลุกอะทีนี้ไม่ลุกนะพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่เราต้องลุกขึ้นเพราะตอนเรานั่งในคราวแรกนั้นไม่ได้ขออนุญาตสก่อนแต่ว่าถ้านอนุญาตให้เรานั่งถึงสามครั้งงั้นเราก็ไม่ต้องลุก เราแกยักษ์เองแกก็ยอมจำน้นนะเพราะว่าก็เป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่านิสัยที่เป็นพานั้นก็ยังแก้ไม่หายแกก็บอกว่าพระเจ้าจะถามปัญหาท่านแต่ท่านตอบไม่ได้ก็จะฉีกอกควักหัวใจมาเคี้ยวกินแล้วก็ฉีกร่างกายออกเป็นสองซี่อะไรส่วนมากพวกนี้มาเบ่งเบมาอย่างนั้นอย่างนั้นก็พูดใหญ่โตมาอย่างนั้น พระพุทธเจ้รับสั่งว่าจะถามอะไรก็ถามเถอะแต่ที่คุยมานั้นไม่มีใครทําอะไรเราได้ในโลกนี้ทั้งแม้แต่โลกอื่นก็สุดท้ายอาโลกยักษ์ก็ถามถามปัญหาในปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ออกจะแพร่หลายนะฮะแล้วก็มีลําดับความที่ไพเราะซึ่งไพเราะในด้านอักษรศาสตร์คือหมายความว่าเขาถามมาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็ตอบเท่านั้น โดยใช้คาถาฉันในแนวเดียวกันยกเว้นแต่ในกรณีที่ต้องการอธิบายข้อความของพระพุทธเจ้าก็จะมากกว่าข้อความของเขาอาะเราก็ยักก็เริ่มถามว่าบุคคลจะอะไรเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจของบุคคลในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจของบุคคลในโลกนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัพน์นั้นแปลว่าวัตถุที่ทําให้เกิดความปลื้มใจศรัทธาเป็นอริยทรัพย์ประการแรกในอริยทรัพย์ทั้งเจประการก็ทรงแสดงว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจของคนในโลกนี้เพราะศรัทธาที่อย่างลงมั่นคงในวัตถุดก็าตามความปรับปลื้มใจความพองใสแห่งใจก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้น แกก็ถามว่าอะไรที่บุคคลทําแล้วนําความสุขมาให้อะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนําความสุขมาให้พระเจ้าก็ทรงแสดงว่าทำอันบุคคลประพฤติดีแล้วนําความสุขมาให้ที่เราได้ยินภาษีนี้บ่อยๆนะฮะทำโมสุจินโนสุกมาวาหาติทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วนําสุขมาให้แต่ในกรณีนี้หมายความว่า บุคคลอยู่ในฐานะของอะไรคุณจะพิจาราปฏิบัติธรรมอย่างไรพระธรรมก็จะนําความสุขมาให้ประการต่อไปแก่คำถามว่าอะไรเป็นรถเลิศกว่ารถทั้งหลายในโลกนี้พระเจ้า ก, ก็ทรงแสดงว่าความสัตว์แลเป็นรถที่เลิศกว่ารถทั้งหลายแก่ก็ถามว่า ช, ชีวิตที่อยู่ด้วยอะไรเป็นชีวิตที่ประเสริฐ พรเจ้ารับสั่งว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐแกก็กราบทูลถามว่าคนจะข้ามโอกคะได้ด้วยอะไรพรเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลจะข้ามโอกคะได้ด้วยศรัทธาถามว่าบุคคลจะข้ามห่วงน้ำใหญ่ได้ด้วยอะไรก็ทรงแสดงว่าข้ามห้งน้ำใหญ่ได้ด้วยความไม่ประมาทถามว่าคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะอะไร ทรงตอบว่าคนจะลงทุกได้เพราะความเพียรประสิทธ์ข้อนี้ก็ออกจะแพร่หลายเหมือนกันนะวิริยนาตุกรรมเจ ต, ติคนจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรพรุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าคนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาจาะคําถามคําตอบทั้งหมดนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าคือใช้ฉันเดียวกันกิ่งสูทวิตตังปริสัตสเศถังแก่ขึ้นมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าใช้คําว่าสติทวิตตังปิสัตสเศถังให้ใช่ฉันเดียวกันเล จึงของแกนั้นแกท่องมานะฮะไม่ต้องมีปัญหาอะไรแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นโดยพระญาณแล้วก็จะใช้วิธีกำราบที่ยังยังยังไพเราะมากเลยในตอนต่อไปแกก็ถามว่าบุคคลจะได้ปัญญาด้วยวิธีอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องชี้แจงนะรพระเจากก้าก็รับสั่งแสดงว่าบุคคลเชื่อธรรมของพระอราหันต์เพื่อบรรลุนิพพานฟังอยู่ด้วยดีย่อมได้ปัญญา ขวางอยู่ด้วยดีย่อมได้ปัญญานั้นก็เป็นภาสิทธิ์ที่แพร่หลายอีกและสูสีสังและปะเิปัญญ์ขวางด้วยดีย่อมได้ปัญญาแกกะถามว่าทำอย่างไรจึงจะหาทรัพได้พระเจ้าก็ทรงแสดงว่าเมื่อคนไม่ประมาทมีวิจารณญาณทำงานเหมาะสมไม่ทอดทุระมันขยันย่อมหาทรัพได้แกถามว่าคนจะได้ชื่อเสียงโดยวิธีอย่างไร เราส่งตอบว่าคนย่อมได้ชื่อเสียงเพราะความสัตว์ถามมาทำอย่างไรจึงจะผูกมิตรไปได้ส่งตอบว่าผู้ให้ย่อมผูกมิตรไปได้อันนี้ก็ออกจะแพร่หลายอย่างระ ด, ดังไม่ตานยานิการตะจีคือผู้ให้ย่อมผูกมิตรไปได้หรือผูกไม่ตรจีไปได้แกถามว่าทำอย่างไรคนละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าจึงจะไม่เศร้าสลดพระเจ้าทรงแสดงว่าใครก็ตามที่อยู่ครอบครองเรือนด้วยศรถถัทธา ครอบครองเรียนด้วยศรัทธาเป็นพื้นฐานใจนะฮะและประกอบด้วยธรรมะสี่ประการคือสัจะธรรมะที่จิจาคะบุคคณผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าศพและในตอนสุดท้ายของประสูตรก็รับสั่งบาปให้เธอเที่ยวไปในที่ไหนก็ได้แล้วไปดูในที่ใดก็ได้ ว่าใครก็ตามที่ครองเรือนโดยไม่มีศรัทธาไม่มีสัจจะไม่มีธรรมะไม่มีทิฏฐิไม่มีจักะแล้วก็จะอยู่ดีมีสุขเรากะยักใจอ่อนไปหมดแล้วนะฮะแกก็กลับทูลว่าข้าพระองค์จะต้องเที่ยวไปที่ไหนอีกในเมื่อข้าพระองค์ได้มาพบพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สัจรูดีสัสรูชอบด้วยพระองค์เองเช่นนี้ ต่อานี้ไปข้าพระองค์จากเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองจากชนบทสู่ชนบทเพื่อประกาศธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประกาศตนแสดงเป็นแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตนี้เป็นข้อความโดยย่อในพระสูตรแต่ว่าเรื่องหลายเรื่องที่มากลายเป็นคาถาพาหุงสามรทัศเนี่ย ในอัตถกถานั้นท่านเล่าว่าไปเจ้ากรุงอาราวีคือในเมืองอาราวีเนี่ยบอกจะเป็นเมืองที่พิกลพิกลตั้งแต่สมัยพุทธกาลความเชื่อของคนในเมืองนี้หนักไปในทางประเภทเทวนิยมือถือว่าสปปรรพสิ่งนั้นมีชีวิตทั้งหมดเลยวินัยของพระที่ห้ามพระไม่ให้ตัดต้นไม้ไม่ให้ขุดดินไม่ให้อะไรนี้บัญญัติที่เมืองนี้ทั้งนั้นเนี่แล้วก็บัญญตัติเรื่องการขอก็บัญญัติที่เมืองนี้ คนในเมืองนี้ถือว่าก้อนหินก้อนกรวดอะไรต่ออะไรนี่มีชีวะหมดเลยมีวิญญาณหมดเพราะงั้นสมณะจะต้องไม่ทําลายชีวะเหล่านั้นแต่นั้นพระไปตัดหญ้าก็ไม่ได้ขุดดินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ถือว่าทําลายชีวะทาลายปรานะฮะทำลายปลานนะ็ทาานําลายสิ่งมีชีวิตเอ่อตอนนั้นที่จริงพ ร, ระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ไกลนะก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองอรารวีแต่อยู่ที่เมืองสาวัตถี แต่เป็นพุทธกิจของพระองค์อย่างหนึ่งเวลาใกล้รุ่งนะที่บาลีท่านใช้คําว่าปัจจุตเสวะคาเตกาเลพพาพระเพวิโลก น, นังเมื่อก่อนนี้เรานํามาสวดแปลว่าคาถาทำวัดคือบูชาพระพุทธเจ้าคือเวลาใกล้รุ่งทุกใกล้รุ่งพระพุทธเจ้าจะใช้สถิตจักษุตัวดูสัตว์โลกที่อยู่ในวิสัยแห่งญยาด คือคนที่ปรากฏในข่ายของประยานพระองค์นั้นแสดงว่ามีบารมีธรรมที่จะจัดสรูปและต่อจากนั้นจะส่งตรวจสอบพื้นฐานบารมีของเขาว่ามีบารมีในด้านอะไรจะสั่งสอนธรรมะด้วยวิธีอย่างไรสั่งสอนไปแล้วจะได้ผลอย่างไรเป็นต้นในการทํางานในแนวที่ทางวิชาการปัจจุบันก็คล้ายใช้คาว่ามีการศึกษาข้อมูลมีการประเมินผลมีการสรุปผลไปเสร็จเสร็จในตัว แต่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ประเมินนะคคือรู้ไปเลยเสร็จไปในที่นั้นต้นเหตุนั้นสืบเนื่องมาจากพระเจ้ากรุงอาลาวีท่านชอบนิยมการล่าสัตว์ไปล่าสัตว์ในที่ต่างๆซึ่งก็มีเรื่องราวแนวนี้อยู่เป็นนันมากในชาดก แสดงว่าพวกกษัตริย์ในสมัยโบราณนั้นสบายมากก็พอๆกับพวกไอ้กษัตริย์พวกอะไรพวกเขาพวกเค้าอะไรในยุโรปคือสะดวกสบายใช้เวลาสนุกสนานด้วยการล่าสัตว์เที่ยวไปในที่ต่างๆพอล่าสัตว์มก็ตีวงล้อมสั่งให้ลูกน้องล้อมก็มีกติกากันว่าถ้าสัตว์หลุดไปในทางใดนะคนนั้นจะต้องรับผิดชอบและถูกลงโทษ คือปล่อยสัตว์หลุดไปพอดีเมก็เวรกรรมอะไรไม่รู้ที่พบทุกเรื่องในชาดกมันหลุดไปทางคนสั่งทุกทีเลยเพรปงังอันไอ้กวางตัวนั้นเลยก็หลุดไปทางพระเจ้ากรุงอารวีพวกเสนาทหารก็ไม่คิดจะลงโทษพระราชาเราแต่ก็หัวเราะสนุกกันพระจ่าก็เกิดขัดิยะมานาขึ้นมากระโดดขึ้นมาควบไล่ไล่กวางกันไล่อย่างแรงฮะกวางก็วิ่งหนีอย่างแรงแกก็ไล่แรง บทาหารก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัว ก, กว่าจะรวมพลกันได้ติดตามได้ก็ตามให้ทันในที่สุดท่านก็เข้าไป่ท่านก็ไล่ท่านกวางแล้วก็ฆ่ากวางนั้นได้แต่ว่าหาทางกลับไม่ถูกเพราะว่ามาเอามุ่งอยู่ที่กวางอย่างเดียวไม่ได้กำหนดทิศทางอะไรไ้ก็หลงเข้าไปในแดนอารักขาของอาระเกยัก อันนี้ตามตามหลักฐานที่ท่านว่านะฮะยิงเทศยังไงก็ไม่รู้แหละเป็นรุ่นอัตกถาไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าท่านบอกว่าพวกยักษ์เนี่ยมันจะได้รับพรจากาเทเทวสุวรรณและจะมีอํานาจทําอันตรายแก่คนได้เฉพาะในอาณาบริเวณที่แกได้รับพรจากาเทเทวสุวรรณเท่านั้นเองดังนั้นเราจะพบในชั้นชาดกซึ่งเมื่อก่อนในมีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งอะไร แต่ตูน้าชาดกนะที่ท่านเอาอาหารไปส่งให้ยักษ์โดยใช้วิธีฉลาดคือหมาความมาพรจะทราเปสุวรรณบอกถ้าเหยียบดินตรงนั้นนะฮะแล้วก็อยู่ใต้โคนไม้ต้นนั้นยักษ์มีสิทธิ์จับกินพระโพธิสัตว์ท่านสวมรองเท้าแล้วท่านกั้นฉาดไว้กั้นร่มไว้้ยักษ์เลยจนแต้มกินไม่ได้เพราะไม่ได้เหยียบดินแกหเหยียบรองเท้า แล้วก็ไม่ได้อยู่ใต้เงาไม้แก่ันอยู่ได้ใต้ร่มก็เลยเสร็จแล้วทั้งก็หาโอกาสที่แจงแนะนําจนทรมานยากนั้นได้เพราะงั้นอาราคยาคันก็มีแนวเดียวกันคือแก่ได้อนาบริเวณนั้นแก่ก็จับพระเจ้ากรุงอารวีพระเจ้าแผ่นดินก็จะแผ่นดินมันเข้าเขตเขาก็จะกินเจ้ากรุงอารวีก็กลัวก็หาทางออกนะ กระ ส, สันดานชาติเชื้อของมนุษย์อย่างหนึ่งคือเวลากลัวเข้ามาแล้วจะหาทางเอาตัวรอดโดยไม่ได้คิดถึงผลเสียหายอะไรแกก็บอกว่าแกจะกินคนคนเดียวหรือจะกินหลายมืออารากรยักษ์ก็บอกว่าถ้ากินได้นานมันก็ดีในที่สุก็ตกลงกันว่าแกปล่อยฉันไปแล้วฉันจะส่งคนมาให้กินทุกวันวานละคนใ น, นนี้ก็มีเยอะๆในชาด ก, กแสดงว่าสมัยก่อนนี่แย่มาก คือประราชาชนไม่ได้รับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนอะไรเท่าไรเพราะเป็นเป็นคนของเขาคือเขานึกจะให้ยักษ์กินนึกจะให้ตายในเมื่อไหรก็ได้ก็ในที่สุดมันก็เริ่มโดยการส่งนักโทษเป็นวิธีนําอาหารไปให้นะครับไม่มีใครรู้ว่านําส่งมาให้ยักษ์กินหรอกคือวิวธีนําอาหารไปให้นักโทษจนหมดนักโทษจนหมดก็เอาเด็กทีนี้พอชาวบ้านเห็นเป็นผิดท่าเขาโ อ, อยบยพพ่อแม่ คือคนแก่กับเด็กนี่อพยพหนีหมดเลยบ้านเมืองก็ว่างคนก็มนไม่รู้จะทำยังไงมาวาระสุดท้ายก็มามันก็มาถึงอาลวกกะกุมารซึ่งเป็นราชโสของพระองค์เองก็จำเป็นจะต้องส่งแต่ว่ารุ่งเงินเช้าจะส่งแล้วคืนนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็ตรวจดูสัตว์โลกเห็นอุปนิสัยของอาลวกกะกุมารกับอาละกะยักษ์นั่นกัน จึงเสด็จไปประทับที่ที่วิมานของอาโลกยักษ์นางธีกรในตอนตอน้นพอตกตอนเช้าพวกอมาต์ก็นําอาโลกะกุมารไปเพื่อให้อาโลกยักษ์กินหลังนั้นตอนนั้นพุทธเจ้าเทศเสร็จแล้วก็อาโลกายักษ์ก็ไม่รู้จะคืบเขินนักเกก็อายพระพุทธเจ้าแต่ก็สรงให้ก็ต้องรับรับแล้วก็ถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ส่งต่อให้ แกอมามัดราชกุมารพระองค์นี้ต่อมาจึงชื่อว่าหัตถาอาลวกะกุมารคือว่าพระราชกุมารที่เขาวางไว้ในมือของอาลกยักษ์แต่วาลกยักษ์ถวายพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นใกลกะลุกบุญธรรมพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็มอบหมายไปในฐานะทีเ่เป็นคนของพระองค์ให้ทางบ้านเมืองเลี้ยงเอาไว้แล้วบอกเวลาโตพระองค์จะมารับไป ต่างบ้านเมืองเขาก็กลับไปรับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่อารโลกยักษ์เองแกก็กลับตัวเป็นสัมมาทิฐิไปแล้วนะฮะเป็นอริยบุคคลไปแล้วตอนนี้ก็อดแหละมันก็ฆ่าคนไม่ได้พระเจ้ากรุงอรลวีก็บำรุงด้วยอาหารบำรุงด้วยที่อยู่ด้วยอาหารแกก็ทำหน้าที่เป็นอุบาสก ส่วนหัตถะอารักะกุมารคือคงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนต้นพุทธสมัยเพราะท่านผู้นี้ต่อมาตอนปลายเนี่ยเป็นอุบาสกสําคัญมากชื่อว่าหัตถะอาวรวกะอุบาสกแต่ส่วนมากเราเรียกว่าอ า, อาวรวกะอุบาสกคื อ, อยอดในทางอุบาสกที่สงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นเป็นนักสังคมสงเคราะห์ชั้นดีนะฮะเพราะท่านมีฐานะทางทรัพย์สินมากและเป็นอริยะบุคคลระดับพระนาคามีบุคคล แต่นี้ก็เป็นเหตุการณ์ในตอนหลังข้อความในพระสูตรในอัตถกถาทั้งในพุทธชัยมงคลกาถาที่มาปะโปนกันนั้นก็มีประเด็นที่เราน่าศึกษาอยู่อยู่หลายประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของอลักษณะทางสังคมในสมัยก่อนคือในสถานที่บางแห่งเราจะพบว่าในชงภูทวีป บ, บางยุคบางสมัยเนี่ย ประราชาท่านนิยมในการลาดสัตว์โดยวิธีการดังกล่าวแม้เรื่องนิโครดเรื่องพญาเนือนิโครพญาเนื้อสาขะติ่ต้นเหตุของป่าอิสิปตนะมฤคธายวันมันก็เป็นยุคสมัยโบราณเหมือนกันทีนี้แต่ถ้าเราดูบางยุคบางสมัยโลกมันก็ผ่านความเจริญมาอย่างหน้าน่าทึ่งนะครคือคนไม่ได้ฆ่ากันแล้ว มีการถกพาสิทธ์กันแล้วใครชนะก็ถือว่าบ้านนั้นเมือง น, นั้นก็ชนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยอมออ น, น้อมไปบางครั้งก็อาศัยคุณธรรมมาเทียบกันหรือไม่ต้องรบกันแล้วแสดงเห็นถึงว่าไอ้ความเจริญของโลกนั้นได้ผ่านผ่านยุคที่วนัยปัจจุบันเราหาไม่ได้นะคือจะเอาชนะกันด้วยพาสิทธินี้ไม่ได้ แต่สุดมากแล้วก็ชนะกันด้วยอำนาจอิทธิพลกระสุนปืนอะไรต่ออะไรคในสมัยก่อนนั้นเขาโลกก็เคยสัมผัสเรื่องเหล่านี้มาแล้วทีนี้ในด้านความเป็นผู้ใหญ่นะจะเห็นว่าลักษณะของพระเจ้ากรุงอารวีนั้นคือสูญเสียความเป็นผู้ใหญ่ที่ว่าความผิดทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของตัวเอง แต่ก็ไปโยนแหมให้คนอื่นโดยตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบไอ้ผู้ใหญ่ในลักษณะนี้ไม่เคยหมดไปจากโลกทั้งทีเกิดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสร้างความวุ่นวายให้แก่โลกอยู่เรื่อยๆตัวตัวเองเป็นคนทำความผิดแต่ก็ไปแปะความผิดให้แก่คนอื่นโดยตัวเองก็ลอยอยู่เหนือความผิดเหล่านั้นมาก็แนวท้าสมามนนะแนวท้าสามนในเรื่องสังทองที่เราเรียนมา นะพอ บ, บทไอจะไล่ไอจเจ้าเงาะก็ ร, รจนาก็ไล่ขโมงชงเฉียงเอากันไปใหญ่พอเจ้าเงาะถอดรูปออกมาเป็นพระสังปายกระสิบกระซาบในหกเคยยุพ่อให้ขับเจา้าแค้นใจย้ายเท้ามันไม่ห้ามบิดาชดเจ้ า, าเบ า, บาวความไม่รู้เลยเจ้าะจะงามทึงเพียงนี้อย่าถือโทษโกรธพ่อเลยเนาะลูกกลบดูดูถูกขับหนีแม้นเจ้ามีชายชนะครีพ่อจะมอบบุริยครอบครองก็ว่าเพลินเปงนฮะเราจะเห็นว่า อันนี้ลักษณะของผู้ใหญ่ที่ไม่รับผิดชอบคือเรื่องทั้งหมดนั้นท่านตั้งเรื่องขึ้นเองทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่ต้นมาท้าสาวโมนท่านวุ่นวายมาตั้งแต่ตั้งแต่พระอินยกกองทัพมาล้อมเมืองแล้วท่านวุ่นวายกันท่านด้วยแต่ท่านไม่มีความลักษณ ะ, ษณะความรับผิดชอบพอเกิดปัญหาท่านจะแมะไปที่คนอื่นทั้งหมดเลยที่จริงถ้าเราอ่านวรรณคาดีแนวนี้เรื่องราวในแนวนี้เราจะพบว่าไม่มีเรื่องอะไรที่ได้สาระ เป็นเรื่องที่มีสาระทางนั้นมันเป็นการสะท้อนพฤติกรรมของคนออกมาเป็นภาพให้เห็นว่าผู้ใหญ่เป็นนั้นมากเท่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ไม่รับผิดแต่ท่านก็รับเฉพาะชอบถ้าชอบฉันเอาถ้าผิดแกเอาไปนะเออฟื้อเลือเกินอุตสาหแบ่งให้คนอื่นเขาเออไม่ตอน6กเคยตีครีท่านก็คนนงจะนึกออกนะฮะ หกเคยตีครีนั้นหกเคยนั่แกไม่รู้เรื่องตีครีนีน่ตีไม่เป็นเพราะแก บ, บอกเมียแกตอนที่ท้าวสามโหนเรียกไปสั่งให้ตีครีเนี่ยแกบอกว่าวิชาเช่นนี้เจ้าพี่เอ๋ยไม่เคยร่ำเรียนเลยแต่สักนิดขุกเอาเดี๋ยวนี้ดังนิรมิตรจนจิตสั่งตายแต่กายไปสมยงจงไปคอยดูพี่อยู่ที่พระพราทองผ่องใสจะได้ภาวนาช่วยอวยชัยมันทับหนุนอุ่นใจไม่สู้กลัวคือแสดงว่าไม่เป็นเลยอะไม่เป็นเลย แต่พอตีครีแพ้มาท้าสามบนกระทืบเท้าโครมโครมท่าทางสอนให้ก็ไม่เอามันทาให้เขารีบจีบหายโน่นไปโน่นไปหายปแล้วแกบอกแกสอนแล้วทั้งๆที่หกเคยไม่ไม่เป็นนะฮะเรื่องครีเพราะในลักษณะเหล่านี้เรามาจะทอนดูที่พี่เจ้ากรุงอารวีมันก็แนวเดียวกันเป็นลักษณะของคนที่อยู่รับผิดชอบเรื่องใหญ่แต่รับเฉพาะชอบไม่รับเรื่องผิดความผิดของตัวก็ไปโยนในคนอื่น สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายคนล้มหายตายจากต้องพลัดพรากจากญาติพี่น้องหนีออกจากบ้านจากเมืองกันวุ่นวายหมดเลยเรื่องเรื่องคนคนเดียวนั่นเองทีนี้ประการต่อไปก็คือเรื่องของอาเล็กะยักษ์อาเกะยักษท์ที่มาไปจนพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนกระช้ออำนาจอิทธิฤทธิ์นะก่อนนิสัยของผลผ่าน แต่ว่าการต่อสู้กับคนพานนั้นเราใช้วิธีเดียวกันคงก็ไม่ได้แต่ไม่ไม่ใช่ทุกกรณีนะฮะคือบางในบางการณีท่านทั้งหลายจะพบว่ามันก็แนวที่ฤษีสอนสุสาคร น, นั่นนะเขารักรั ก, รกมั่งชังชังตอบไปรอบครอบคิดหนาหนาหนาะอันนั้นแนวหนึ่งนะแนวที่อิสราเอลก็ใช้กับอียิปต์ก็ใช้อีกแนวนะั้แต่อีกแนวหนึ่งมันก็ใช้ระดับหนึ่ง คือคนที่เพราะคนเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วต้องชนะด้วยขันติเท่านั้นเองทรงรู้มาตั้งแต่ก่อนที่จ ะ, ะเสด็จมาแล้วเพราะงั้นใช้วิธีขันติวิธีสลายขันติของพระพุทธเจ้าจะพบว่าเมื่อแกปะทะมาพระพุทธเจ้าก็เพียงแต่ใช้ฤทธปะทะไว้เท่านั้นเองแกทําอะไรก็ตามพระเจ้าใช้ปะทะคือก็บอกว่าในสมัยนั้นมันมีอาวุธมหาประไลยอยู่สอย่างนะ คือมีภาพโพกของอาเหลกยักษ์นี่ฮะพอซัดไปทำลายสัตว์ไอ้ปีศาจซาตานอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วก็วชิราวุธของท้าสกะเทวราชแันนั้นพกแข่งปั๊บก็กระเทือนเลื่อนลั่นไปเลยแล้วก็อะไรเนตรของพระยายมคือพระยายมเวล า, เ, าเพ่งดูเนี่ยสตัตายเลยช็อกตายเลย แล้วก็คาถาของเท้ากุเวนคาถาของเท้ากุเวนก็คือท้าจตุมาราเท้าเวสุวรรณนะฮะคือถ้าต้องการทําลายใครทั้งขว้างไปแล้วไอ้คาถานั้นไปทําลายคนได้ตามที่ท่านต้องการเสร็จแล้วคาถาก็กลับเข้ามานี่ก็เรียกอาวุธหมาประลัยในสมัยนั้นเพราะงั้นอรลกยักะเองก็เป็นเจ้าของมหาอาวุธหมาประลัยคือภาพพวกแต่ก็ทําอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้โดยหลักธรรมะที่สําคัญก็คือขันติธรรม โดการทำอะไรก็ไม่มีการโต้ตอบมันเหน่อยคนเราที่สามารถทะเลาะวิวาทบาดถลุงกันได้นานนานนั้นเพราะว่ามันมีการกระทําและมีการกระทําตอบมีด่าก็มีการด่าตอบมีประหารก็ประหารตอบประทุษร้ายประทุษร้ายตอบอย่างนี้ก็ยืดเยื้อมาราธอนกันได้นะฮะข้ามกันเป็นพันพันปีอย่างพวกอิสราเอลกับพวกอาหรับที่ก็รบกันเนี่ยคือมันโต้ตอบฉีดเลือด ความมาคาดแค้นพยาบาทจะต้องทําลายล้างไปจากโลกกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่โอนเนทตามนกันมาเลยสั่งสอนกันมาอย่างนั้นเพราะงั้นพวกนี้เลยฆ่ากันเพลินไปเลยเพราะรู้สึกว่าได้ทำงานเป็นหน้าชี่อันมีเกียรติฆ่าคนอื่นซึ่งก็เป็นความคิดที่เพี้ยนเพียดีเหมือนกันทีนี้พอมา พระพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไรนแกก็ต้องเริ่มอ่อนมาธรรมนาโดยเฉพาะพอใช้อาวุธหมดเนี่ยแมก็หมดที่จะต่อสู้แล้วในที่สุดก็มาก็แสดงมา้าก็ ท, ทําทีคนใหญ่นะฮะก็ทาใหญ่จะให้เด็กเด็กก็จะหามไปเตะกับเขาหน่อยคือตัวเองลุกขึ้นไม่ไหวแล้วนะฮะทาท่าทามาจะ ใ, ใหญ่ไปอย่างนั้นเองเพราะนะ่าเราก็ยักแกก็ ยงขู่พระพุทธเจ้า ซ, ซึ่งซึ่งยังเคยเล่ามาเรื่องสัจจะนี้ค达เลตอะไรเนี่ยวันี้คุยจังเลยฮะเวลามาเนี่ยจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้กับพระพุทธเจ้าจะจับพระพุทธเจ้าผ่าออกเป็นสองซี่แล้วก็กว้างปลาไปให้ตกปุขจาจักรวาลนวไปหายไปคุยคือพระพุทธเจ้านั้นอย่างที่เคยบอกว่ามีลักษณะเป็นเขาเรียกอเภทสริระแต่เราพูดปัจจุบันว่าคงกระพันชาตรี คือใครจะทำอะไรพระองค์ไม่ได้เลยให้เลือดตกไม้ประโยชน์ดเดียวจะไม่ได้ไม่ว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นจึงกลายเป็นบุคคลที่พิเศษไปเลยขนาดพระเทวทัตกริ้งหินลงมาตั้งก้อนเบื้อเริ่มนะฮะมีแต่ข้อพระโลหิตนิดเดียวเป็นรอยช้าแดงนิดเดียวเท่านั้นเองก็เพื่อให้เป็นการสะใจของพระเทวทัตที่ได้ทาสาเร็จเรางั้นแก่กระอักตายแต่ก่อนจะไม่ได้ทันสานึกก็ดำทาได้เท่านั้นเอง เป็นอภัทัศรีระจะไม่ตายด้วยความพยายามของบุคคลอื่นและจะไม่มีใครเอาเลือดออกจากกายของพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นไม่มีใครในโลกเทวโลกมาราโลกพรหมโลกที่จะทําอันตรายได้พระพุทธเจ้าจะไม่ตายด้วยความพยายามของใครเพราะว่าเป็นลักษณะเครียกเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะฮะทุกพระองค์เป็นอย่างนี้เป็นอภัทัศรีระ ถือใครจะทําอันตรายอะไรก็ตามทำไปเถอะมันทําไม่ได้แร้กเขบอกอะไรนะฮะเหมือนปลาทุลีทวนทวนลมปลาธุลีทวนลมแล้วก็ธุลีนั้นจะข้าวหน้าเราเองคนทํากับพุทธเจ้าจะมีลักษณะอย่างนี้นทีนี้ภาสิตก็มามองถึงอายุยักษ์นะฮะพาสิทนี้นแนวตกระถาท่านบอกว่าในปลายศาสนาพระกัสสปะสมาสพุทธเจ้าซึ่งก่อนพระพุทธเจ้าเรา เรากะยักอย่างเป็นยักเล็กอยู่แล้วฟังธรรมเทศนาในสำนักของพระกัสสปะคือฟังจากแม่จากพ่อจากแม่แกทีหนึ่งพ่อแม่แกก็ท่องท่องเหล่านี้จำได้แล้วก็มาสอนลูกให้ท่องไว้สอนลูกให้ท่องไว้ว่าถ้าต่อไปไปเจอใครก็ตามนะตอบคาถามนี้ได้ให้รู้ว่าคนนั้นคือพระพุทธเจ้าก็เป็นเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ ไอแนวเหล่านี้ก็มีในห ม, มหิสาสกชาดกมีอยู่เรื่องหนึ่งไอ้นั้นเทวธรรมคือเป็นเป็นรากสดที่รักษาคือท่องท่องคำถามเรื่องเทวธรรมไว้แล้วถ้าหากว่าใครมาตอบได้ตัวเองก็จะพ้นคำสาบรอดพ้นจากอาการเป็นรากสดไปรอคอยคนมาเวลเวลานานไอคำตอบสอง บ, บรรทัดท่านเองแต่ใครไม่เคยตอบถูก ท, กทัทกษีนั่แกก็เลยก็อยู่ที่นั่น แต่ว่าก็ได้พรพิเศษถ้าใครตอบไม่ได้แกกินได้คือเอาเป็นอาหารได้แต่ในที่สุดพระโพธิสัตว์ก็มาตอบได้แนวนี้ก็เหมือนกันคือคำถามนั้นอาโลกยักษ์ท่องมาต้องสาธยายมาแต่ก็หาคนตอบยังไม่ได้นะจึงแสดงให้เห็นว่าอายุของแกก็น่าดูเกาดผ่านพุทธันดอนทีเดียวอายุยืนยาวมาก ภาสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าตอบนั้นอย่างที่ได้กล่าวมาในตอนต้นเราจะพบว่าเป็นหลักภาษิตในพระสูตรนี้เป็นหลักที่เรามาเรียนมากที่สุดนะฮะในนลักฐานดนตรีจะกระจายอยู่ในหมวดต่างๆเพราะมีทั้งหมวดปัญญาหมวดความเพียนหมวดความประมาทหมวดของศรัทธาก็จะกระจายอยู่ในหมวดต่างๆในเล่มหนึ่งนะฮะเป็นคาถาสั้นๆแต่จะเอามาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าดํำรัสไม่เอาคําถามมา แต่พอเราไปดูในพระสูตรเราจะพบ ว, ว่าเราจะมองกันในแง่ไหนล่ะแต่แง่นิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาที่แตกฉานในนิรุตติคือภาษาปฏิภาณปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในไว้พริปฏิภานของพระพุทธเจ้าหรือประสพพันยุตยา น, นี่ก็ได้ชื่อชมมากนะฮะคือเร็วเร็วตอบได้เร็วแล้วถ้อยคํากระชับเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนกับอะไรเอ่อ ตะกี้นี้ได้พูดมาถึงอะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนําสุขมาให้ก็ทรงแสดงว่าพระธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนําสุขมาให้อันนี้ต้องใช้คํารวมลงไปเลยนะฮะเพราะว่าปัจจัยของความสุขมังคนละทางกันถ้าคนต้องการความสุขอะไรก็ต้องประพฤติธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขเหล่านั้นแล้วก็ใช้คํารวมว่าธรรมะเท่านั้นเองประการต่อไปรถที่เลิศ ก, กว่ารถทั้งหลายนั้นก็คือสัจจะ สัจจะก็น้นนะฮะจนถึงอริยสัจไปเลยคือรู้อริยสัจไปเลยแล้วชีวิตของคนเราที่นักปราชญ์กล่าวยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐนั้นก็คือชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญานี้ท่านทั้งหลายจะเห็นได้เลยว่ า, า, าศาสดาและมหาบุรุษในโลกคือนักปราชญ์ของโลกที่คนสักการะบูชานั้นเป็นผู้เลิ่ด้วยปัญญาทั้งหมดาศาสดาทั้งหลายนั้นก็เป็นยอดแห่งปัญญาในแต่ละ แต่ละจุดของท่านแต่ละในศาสนาของท่านแต่สรุปว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นยอดแห่งชีวิตเป็นอุดมมชีวิตทีนี้คนจะข้ามโอคะโอคะท่านถามสองช่วงนะฮะโอคะหนึ่งคือพวกน้ําคือกิเลสพวกน้ําคือกิเลสก็มีอะไรมีกามมีกามโมคะภะโวคะติถัวคาวิชุคะมีกามภพทิฏฐิและวิวาจารพระเจ้าทรงแสดงเริ่มถานเลยนะฮะ คือศรัทธาญาติระติโอคังบุคคลข่ำโอคะได้ด้วยศรัทธาคือให้มีความเชื่อมัน่นตั้งฐานไว้ที่พระรัตนตรัยก่อนคือพระพุทธคุณก่อนแล้วต่อไปเมื่กีจะเดินท่านถาพวกน้ําใหญ่พวกน้ําใหญ่นี่หมายถึงกระแสของกิเลสกับกระแสสังสารวัฏนะฮะสอสองกระแสวงน้ําใหญ่เพราะงาั้น จะตอบให้กระชับที่สุดง่ายที่สุดก็คือไม่ประมาทเพราะไม่ประมาทนั้นเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหมดเป็นการรวมไว้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะแตะตรงไหนก็เจอไม่ประมาททางนั้นถ้าเป็นกุศลเพราะพระพุทธเจ้าทรงสรุปคําสอนของพระองค์ด้วยถ้อยคําสั้นๆว่าอภมาเดนะสัมปาเดตะเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนได้ประโยชน์บุคคลอื่นในสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเพราะไม่ประมาทมันก็เรียบร้อยไม่คนที่ไม่ประมาทสมบูรณ์นั้นคือพระอรหันต์เท่านั้นนะ ถ้าตราบใดที่ยังประมาทนิดหน่อยอ ย, อยู่ก็ยังไม่รับรองผลที่สมบูรณ์เพราะฉนัในกรณีที่อาตมาเคยบอกท่านทั้งหลายมาเสมอว่าพระพุทธเจ้าถ้ารับสั่งน้อยนะความหมายจะมากสปาัปปาปัสะาการนางังอย่างในอวัตปาติโมกในการไม่ทําบาปทั้งปวงเลยทั้งปวงใช้คำว่าทั้งปวงทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ยไม่มีเหลืออะไรอยู่เลยถ้าเหลือก็ไม่รับรองผลที่สมบูรณ์นะฮะแต่จะรับรองผลในชั้นนั้นๆอยู่ เพราะงั้นถ้อยคำพาสิทิ์นี้เป็นการตอบกระชับกระชับหมดจึงใช้คําที่รวมอย่างอื่นไว้ด้วยแบบปลูกต้นไม้อย่างที่เคยยกตัวอย่างมาแล้วแล้วต่อไปก็คนจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรทรงสแสดงจุดสุดยอดบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพระทแท้จริงคนเราบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลสมาธิปัญญานะฮะเ ป, เป็นการบริสุทธิ์ไปตามลําดับอย่างที่เคยพูดในพิสุทธิทั้ง7ประการ แต่ว่าจะมีศีลก็ต้องมีปัญญาสมาธิก็ต้องมีปัญญาในปัญญาก็ต้องมีปัญญาและมีศีลมีสมาธิอยู่เพราะตัวยอดจริงๆตัววินิจฉัยจริงๆตัวตัดจริงๆจริงอยู่ที่ปัญญาทั้งหมดแม้แต่ศีลตัวที่จะเข้าไปแก้ปัญหาจริงๆรู้ผิดรู้ถูกว่าขาดศีลไม่ขาดศีลทําไมจึงต้องรักษาศีลก็เป็นตัวปัญญาวินิจฉัยทั้งหมดจึงสรุปลงที้ปัญญาเพราะคนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ในวิสุทธิทั้งเจประการที่เคยพูดนั้นจะพบว่าที่อธิบายในโนโนท์ในใ น, ในอบรมจิตทิฏฐิวิสุทธ์คือความหมดจดแห่งทิฏฐิความเห็นคือหมดจดด้วยปัญญาก็เริ่มมาจากการพิจารณาเห็นสังขารที่เป็นไปาตามหลักของปัจจลักษมันก็เริ่มจากตรงนั้นจนจนถึงปัญญาณทัศนวิสุทธ์คือความหมดจดแห่งความรู้และความเห็นที่เกิดขึ้นจากการเห็นอริยสัจสี ดังนั้นก็มาสรุปลงตรงนี้ทีนีออ้ปัญหาต่อไปท่านจะถามว่าบุคคลจะได้ปัญญาด้วยวิธีอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ท่านดังนาให้ลองสังเกตว่าปัญหาจริงๆนั้นที่แกท่องมาท่องหมดแล้วนะต่อไปนี่แกคิดขึ้นตรงนั้นเองคิดขึ้นตรงนั้นเองเพราะเชื่อมโยงกับข้อแรกไม่ ไม่ไม่ได้มีลักษณะเป็นสูตรมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพูดถึงปัญญาว่าคนจะบริสุทธิ์ได้โดยปัญญาแกก็ตั้งปัญญาขึ้นมาเป็นตัวประธานว่าคนจะได้ปัญญาด้ว ย, ว, ยวิธีอย่างไรเอ่อก็ทรงสแสดงว่าบุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์ที่มุ่งมั่นการบรรลุปณิพนัลอาศัยฐานความเชื่อแล้วก็ฟังให้ดีพิจารณาตามไปให้ดีก็จะได้ปัญญา ทรงชี้ปัญญาระดับต้นเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอาศัยฐานความเชื่อพระอระหันต์ทั้งหลายแล้วก็มุ่งหมายพระนิพพานเมื่อฟังด้วยดีแล้วก็ต้องคิดด้วยดีแล้วก็ปฏิบัติด้วยดีปัญญาจะเดินไปเองแต่จะพูดให้มากก็ไม่จําเป็นจะต้องมากนะฮะเพราะว่าฐานความเชื่อข้างบนไอ้ข้างข้างต้นนั้นมีอยู่แล้วประการต่อไปก็คือถามในชีวิตการครองเรือนซึ่งมองในลักษณะก็เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ทันท่องมา แต่ท่านถามจากไอความรู้ความเข้าใจในขณะนั้นท่านถามว่าทำอย่างไรบุคคลจึงจะหาทรยบได้เป็นชีวิตการครองเรือนนะพูดมาถึงนิพพานแล้วถอยกลับมาฉากตั้งฉากใหม่มาอยู่ที่ครองเรือนซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่ท่านท่องมาแต่ท่านถามขึ้นในขณะนั้นนั้นทีนี้ เ, เราลองดูวิธีกระชับของพระพุทธเจ้านะฮะว่า จะพูดว่าหาทรัพย์ขยันหาทรัพย์มันก็ไม่แน่นะขยันหาทรัพย์ได้มาพันหนึ่งกรนะจายทั้งพันหมันก็แยากเพราะงั้นจึงเริ่มต้นด้วยคนที่ไม่ประมาทนะฮะต้องไม่ประมาทมีวิจรารณญาณมองการได้ไกลคําว่าวิจรารณญาณนั้นมันก็ครอบคลุมอะไรไปเยอะไปเยอะเลยนะฮะทั้งในชั้นของการผิดทั้งในชั้นของการเก็บการจ่ายการคิดหมายถึงอนาคตเนี่ย แล้วทำงานได้เหมาะเจาะเหมาะสมแก่กาลเทศะบุคคลระดูเมื่อวานนี้ไปบรรยายที่จังหวัดอุดอรมีเรื่องที่น่ากลัวอยู่เรื่องหนึ่งคือศึกษาเขตท่านพูดก่อนแล้วก็ฟังท่านพูดแล้วท่านบอกว่าเมื่อปีสองสพวกที่เรียนมาสายครูนะฮะจะเรียกว่าอะไรก็ตามข้าเป็นครูได้ 14% เปอร์เซ หายไปเทไร่หายไป 86% ดปซไม่รู้ไปไหนพอมาปี25หจบเป็นแสนอีกเป็นครูไดส 10% ปหายไป 90% าพอมาปี26หจบเป็นแสนอีกเป็นครูได้ 8% ปอร์เซหายไป 92% ปซนี่แสดงว่าอะไรฮะเราทำงานไม่เหมาะเจาะนึกจะผลิตมันในอารมณ์กูผลิตครูงเรื่อยเลย ผิดไปแล้วทําอะไรไม่รู้ช่างทีนี้เราจะลืมนะครับว่าคนระดับนี้ระดับที่เราลงทุนลงแรงไปเยอะแยะเสียเงินเสียทองไปแยะแล้วก็ผิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยกลายเป็นคนว่างงานวิจัยคุนกันตลบสร้างพรูชั่นยุ่งยาก อ, อีกเออก็ทํางานไม่เหมาะเจาะทํางานไม่เหมาะเจาะแต่งานเหล่านี้มันเป็นจั ก, กรวัตรไปแล้วคือเราไปแก้ไขา ย, ยากท่านอธิการท่านก็จะไม่มีตําแหน่งอะไรๆนะั่นเลยต้องรักษานั้มใจคนเอาไว้ เราผิดงานไมหมอไม่เหมาะเจาะกับลักษณะความต้องการของสังคมที่จริงการสร้างคนมันก็เหมือนกับการผิดสินค้าในลักษณะของการครองเรือนเราต้องดูว่าจะสร้างไปทำอาสร้างอะไรสร้างเพื่ออะไรสร้างไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไงนี่เราเราคิดแต่ว่าสร้างอะไรแต่นั้นเองแต่มีข่าวแววแวๆมาดีอย่างหนึ่งว่ากำลังจะทาเป็นวิทยาลัยชุมชนซึ่งคงจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะฮะ เข้าใจว่าปีปนี้สักห้แล้วคงสนุกนะทำงานต้องเหมาะเจาะเหมาะเจาะแกะกรณีแก่เหตุการณ์แก่บุคคลแก่ยุคแก่สมัยแก่ความต้องการของตลาดสังคมพระพุทธเจ้าใช้คําว่าทําการงานเหมาะเจาะหรือเหมาะสมแล้วก็ไม่ทอดทุระนะทำงานเหมาะเจาะก็จริงแต่ว่าต้องทำต้องทําจริงๆไม่ทอดทิ้งเสียนในระหว่างมีความหมั่นขยันเป็นพื้นฐานในการทํางาน อันนี้เราย่อมหาทรัพย์ได้เก็บทรัพย์ได้ได้ความสุขในการครองเรือนเรียบร้อยนี้ต้องอธิบายนะฮะเพราะว่าข้อความถ้าใช้เพียงคําเดียวบางทีมันก็ดิ้นไปได้เพราะเรื่องการครองชีวิตมันเป็นเรื่องไหลไปตามกระแสของกิเลสแล้วทรงไขแสดงกระดักหน้าดักหลังไว้เสร็จเลยเพื่อให้มีผลในการปฏิบัติจริงๆเพราะเป็นการแสดงเหตุที่ทรงรับรองผลเอาไว้ คนจะได้ชื่อเสียงก็เพราะความศักด์อันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานธรรมดานะฮะผู้ที่ให้ก็ผูกมิตรไมตรีไปได้ทีนี้ธรรมะที่สําคัญของการครองเรือนฮะการครองเรือนพระพุทธเจ้าให้เริ่มด้วยผู้ครองเรือนที่มีศรัทธามีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะฮะคือศรัทธาในในว่าที่จริงคือใครนับถือศาสนาอะไรก็ศรัทธาในสิ่งนั้นก็ได้กัน ไ, ได้ว่าอะไรแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีศัจดิ สัจจะคือความจริงใจจะประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริงมีความสศรัืธอต่อการมีความจริงต่อตนเองต่อบุคคลอื่นต่อภารกิจการงานต่างๆเป็นต้นแล้วก็ต้องมีธรรมะที่เหมาะสมแก่ธ ร, รมธรรมะก็คือมีเหตุผลมีมีหลักในการทํางานก็ไม่รู้ว่าทํางานอะไรแต่สรุปอันในตรงนั้นต้องมีธรรมะ แล้วก็ทิติทิติเป็นอาการของปัญญานะฮะแต่ว่าในในขณะเดียวกันก็เป็นขันติคือขันตินั้นท่านเรียกถ้าเรียกแปลกแปลกออกไปบางทีว่าเรียกว่าอธิวาสนะขันติคือให้หยุดไว้ทิติขันตินั้นก็หมายถึงว่าการปฏิบัติภารกิจการงานนั้นนอกจากมีปัญญาแล้วต้องมีอดทนด้วยมีความอดทนต่อทุกขเวทนาต่อความเหนื่อยยากลาบากรกรรมเป็นต้นเนี่ย แล้วต้องมีจากะคือความเสียสละเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกรรันสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อกันนี่ก็เป็นลักษณะที่ดีเมื่อวานก็เผลอไปเยี่ยมไ ม, ไม่ไม่เผลอแล้วฮะคือเครื่องมันไม่ยอมออกให้ก็เลยไปเยี่ยมงานหลวงปูข่ขาวเขาหน่อยนึงมีหน้าชื่นชมภาคอีสานได้ยังไม่เคยเห็นเลยก็เรียกครัวทานนะดีจัง ชาวบ้านเข้ามาตั้งกลุ่มสร้างครัวทานขึ้นมาเป็นน้ำเพล่เพล่กันนลยต่างไว้ชาวบ้านจะหิวกระหายอะไรอะไรก็ข้าวไปรับประทานได้โดยไม่มีการต้องซื้อต้องใช้จ่ายอะไรนี่ก็เป็นลักษณะที่ดีถามว่ามีบานานยังเขาบอกว่ามีบานานนะแล้วก็เพิ่งไปพบที่นี่ก็น่าชื่นชมอนุโมทนาเพราะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเรารู้สึกเป็นพวกเดียวกัน แล้วที่สําคัญก็คือความศรัท ธ, ธาความเชื่อของคนเหล่านี้ในแนวที่ว่าได้บุญมากถ้าเรามองในแนว น, นั้นก็จริงๆนะฮะเพราะอะไรเพราะเป็นลักษณะคล้ายๆสังฆทานคือเขาไม่เจาะจงใครเลยใครก็ตามรู้จักไม่รู้จักก็มาแล้วเขาก็พร้อมที่จะให้ทานโดยความเอื้อเฟื้อต้อนรับโดยความชื่นชมยินดีแในแนวความคิดเหล่านี้เป็นจารีตประเพณีที่เขาสร้างกันมาเมื่อไหรไม่รู้แต่ก็สร้างไว้แล้วก็ดีมาก น่าอ่นมูทนาชื่นชมกับเขาโดยเฉพาะในยุคในสมัยนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันที่มีโรงทานก็พวกแอบขายนอกโรงทานก็เยอะเหมือนกันแอบขายนอกนอกวัดนะครับนอกกำแพงวัดก็มรีรายการขายกันอยู่มากนี่ก็เป็นการแสดงเห็นตั้งจากฮะซึ่งเป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลที่อยู่ร่วมกันมีความเสียสละ สรงเคราะห์นุเคราะห์ต่อกันแต่ว่าเสศระนั้นอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเมื่อมาในชุดอย่างนี้นะฮะชุดของธรรมะอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าสละวัตถุสิ่งของเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อเจตนารมณ์ของตนคือความตั้งใจของคนเรานั้นส่วนมากแล้วมีเยอะที่เราตั้งใจและเราทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะถูกกิเลสมากระตุกให้เกิดการ ต่อรองให้เกิดการไ พ, พ่แพ้หรือว่าอรอไปก่อนค่อยไปก่อนเดี๋ยวก่อนอค่อยทำปีหน้าอะไรหายไปเล ย, ย, เลยแล้วก็ลืมทำไปเลยตรงนั้นต้องสละสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อเจตจำนงที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะทำด้วยนี่ก็เป็นเป็นหลักธรรมที่แพร่หลายนะฮะ <c oughs> ที่จริงธรรมชุดนีด้แพร่หลายมาก <c oughs> เฉพาะในส่วนของคาตอบ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าคนเราจะมีความกระด้างอย่างไรก็ตามแต่จะมีคนคนหนึ่งที่สามารถกำราบคนนั้นได้คือแก้แก้คนนั้นให้กลายเป็นคนดีไปได้ท่านอาโลกยักษ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันท่านอาจจะดเดือดรุนแรงอะไรก็ตาม <c oughs> แต่วันในที่สุดท่านก็มาเจอกับคนที่พิเศษเหนือธรรมดาขึ้น คือพระพุทธเจ้าและในที่สุดก็ท่านกลับใจได้ที่น่าสังเกตก็คือพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าท่านเองก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าแต่ทําไมเวลาพระพุทธเจ้ารับสั่งในทํานองท้าทายนะครับทนองท้าทายไว้เธอเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆไปบ้านไหนเมืองไหนก็ได้ไปสอบถามก็ดูไปดูก็ดูจีว่าในกลุ่มนั้นในสังคมนั้น แล้วคนที่อยู่โดยไม่มีหลักธรรมเหล่านี้ถ้าทำทั้งสประการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเนี่ยเขาอยู่ได้กันไหมท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าข้าพระองค์จะต้องเที่ยวไปที่ไหนอีกในเมื่อข้าพระองค์มาพบพระอาหารแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกับเร์จึงก็หมายความว่าจากการตอบภาสิต ท, ที่ตรงข้างต้นนั่นเองทาให้ท่านรู้ว่าท่านผู้นี้คือพระพุทธเจ้า ก็แสดงว่าการเสด็จไปโปรดอาโลกยักษ์ในคราวนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปแบบธรรมดาไม่ได้แสดงจุดเด่นอะไรให้เป็นที่ผิดสังเกตว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านรู้ด้วยใจของท่านเองพอหลังจากฟังธรรมแล้วเข้าใจธรรมะแล้วยิ่งท่านบรรลุโสดาในตอนหลังด้วยแล้วก็พอดีคือรู้ว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ ลักษณะอกประการหนึ่งซึ่งท่านจะเห็นว่างานการเผยแผ่พระศาสนานั้นเป็นงานที่ไม่ใช่เฉพาะทำเฉพาะพระเท่านั้นเองเรากรยักพอเรียบร้อยเสร็จแกก็ปฏิญาณตนนอกจากจะเป็นอุบาสกแล้วจะปฏิญาณตนเป็นผู้รับใช้พระศาสนา คือจะเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากเมืองจากนิคมสู่นิคมจนบทสู่ชนบ ท, นบ ท, นบทราชธานีสู่ราชธานีเพื่อเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าประกาศเชิญชวนประชาชนให้มาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแลในขณะเดียวกันในบทเหล่านี้มันก็เอาไปสอนขี้เกียจจะสบายแล้วนะฮะก็ธรรมะขนาดนี้ก็เป็นเนื้อหาธรรมะที่ครอบคลุมอะไรไว้เป็นอันมากแล้ว เรียกว่าไม่ไม่จะ ไ, ไม่จะเป็นธรรมะคือครอบคลุมเนื้อหาของธรรมะทั้งหมดไปได้แล้วดังนั้นการนําเอาธรรมะไปชี้แจงไปสั่งสอนให้บุคคลอื่นเกิดความเข้าใจก็เป็นภาระหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลายไม่ใช่เฉพาะว่าจะให้พระเท่านั้นคือพระนี่จะเอานิยายนิยมไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกเร า, าต้องมองความจริงว่าว่าพระเมืองไทยมันไม่จะเหมือนกับประเทศพมา่าหรือว่าประเทศลังกา ซึ่งพระเขาน้อยแต่ว่าแต่ละองค์นั้นบวชตลอดชีวิตท่านเหล่านั้นก็บวชมาถึงก็มุมาคือมันสละมาตั้งแต่ก่อนจะบวชแล้วว่าตั้งใจจะบวชอยู่ตลอดชีวิตเพราะทไมถ้าบวชแล้วสึกไม่ได้นะลังกาพมา่าเนี่ยเป็นอภรีจังไรไปเลยสังคมก็ไม่ต้องการ็ขาผาสมาคมไปเลยจึงผิดกับเราเราพอบวชแล้วบวชสักสามวันก็เอาสึกไปนสงาจะตายแล้ว เราถือว่าได้ผ่านการบทเรียนมาแล้วเป็นทิศเป็นอะไรแต่อะไรเป็นบัณฑิตไป <c oughs> บางทีแกก็ไม่ได้ได้อะไรสักหน่อยหนึ่งแต่ก็เป็นบัณฑิตไปแล้วเพราะงั้นในภาระรับผิดชอบในงานระศ า, าสนาเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันช่วยการเผยแพร่ช่วยกันหาวิธียังไงคือเราไม่เทศโดยตรง แล้วก็อาจจะสนทนาคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันท่านทั้งหลายเรามองดูความรุนแรงที่ข่าวคราวบ้านเมืองตรงนี้ระยะหกเจดปันเนี่ยขนาดฆ่าคนเพื่อเอาสตางไปเที่ยวมันไม่ใช่เล่นนะมันสาหัสสากันเหลือเกินนะฮะความคิดความอ่านนี่แย่มากเลยเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากต้องการเอาสตางไปเที่ยวท่านนั้นเองลงทุนฆ่าคน แล้วแกแกก็มองตื้นตื้นแคบแคบโดยไม่ได้มีวิจารณญาณอะไรเลยอันนี้เพราะจุดบกพร่องตรงไหนนะจุดบกพร่องที่เราไม่ได้อบรมบ่มนิสัยในด้านาศาสนาธรรมให้เด็กแกเกิดความทราบซึ้งเกิดความเข้าใจเกิดรังเกียจบาปเกิดกลัวบาปเกิดกลัวนรกกลัวสอไต้องการสวรรค์อะไรต่ออะไรขึ้นมาตั้งแต่เป็นเด็ก แต่ว่าเด็กคนนี้ก็ปรากฏว่าเป็นอิสลามนะฮะแต่ว่าอิสลามหรืออะไรก็ตามถ้าหากว่าเราได้อบรมให้มันเกิดความเข้าใจเนี่ย <p> ก็ไม่น่าจะอย่างนั้นนะฮะแม้รู้สึกแกสง่าเลยเกินเวลาทําแผนปัฒนาศึกษรารยิ้มแย้มแจ่มใสคล้ายๆกับแกาแสดงอะไรกางแกคือยังไม่รู้สึกเดือดร้อนมันมันมันเป็นเป็นจิตใจที่น่ากลัวมากแล้วถ้าเด็กประเภทนี้ออกรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะต่อไปมันจะเป็นยังไง มันก่อนนี้มีมาอะไรแม่เขาเอามาหาไม่ใช่แม่เขามาหาเรารู้สึกว่าแม่แกก็ไม่เคยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่อามาล่าให้ฟังแล้วก็ส่งลูกมาหาก็แนะนําชี้แจงไปสองคนพี่น้องก็หายไปปรากฏว่าแกรุนแรงจนวันนั้นมันขึ้นเต็มที่นี่จับมีดจาะคอแม่ถามแม่กลัวตายไหมแม่กลัวตายไนหะอยากจะฆ่าใช่ไหมเพราะว่าแม่ไม่สนใจแก แ, แกเป็นมีปัญหาหเด็กเนี่ฮะ เด็กอะไรไปศึกษาทางกิตวิทยาไปเชื่อไอ้ลูกว่าลูกคนกลางจะมีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้เราต้องช่วยกันเวลานี้ทางกระทรวงศึกษาเองก็เริ่มจะตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้เมื่อวานก็ไปอบรมครูในเรื่องเนี้ยแต่ครูก็แหมไว้พริปฏิพัน์ดีเหลือเกินคือตอนพูดอะแกะไม่อัดเทป พ, พอพูดเสร็จแล้วแกจะขอเทปอุนนอมาจากไหนหแก ก็ซึ้งมากเกินนะคือข้าราชการนี่มันมันอยู่ในภาวะเฉยนะใครเป็นข้าราชการก็ไม่เฉยก็อย่าไปคิดกันกันคือบางคนมันเฉยไม่มีไหวพริบไม่ใช้หัวเลยครับคือมันรูปแบบสร้างไว้จนข้าราชการไม่ค่อยกล้าคิดอะไรมีเยอะที่ไปปาตกระถาที่ไหนพอปาตกระถาเสร็จก็ตามมาที่วัดบอกว่าท่านผู้ใหญ่ให้ขอก็อให้พูดได้ไหม่พูดได้ไหมผมก็พูดคนลเรื่อง พูดได้ไงเราไม่ได้ท่องไว้เนี่ยเราก็พูดตามสถานการณ์นั้นเองมีหลายครั้งหลายคนด้วยกันนี่เมื่อวานก็อีกฮนะอย่างนั้นตามมาจนมาถึงที่จะขึ้นเครื่องบินแล้วแกก็ยังพูดอยู่ก็เราก็เราก็จําไม่ได้พูดอะไรไปบ้างซึ่งแกก็น่าจะมีไหวพริบปฏิพัน์แล้วพวกครูที่มาไปชุมกันตั้งร้อยกว่าคนเนี่ยเขาก็ขอพอพูดเสร็จเขาก็ขอให้ถ่ายเทปเพื่อจะซื้อเทปไปเปิดให้คนอื่นฟัง เพมมีประเด็นต่างๆที่เราชี้แจงให้ครูซึ่งแกมีปัญหาอยู่เนี่ยแกเข้าใจแกก็อยากจะไปะปรับความเข้าใจกับเพื่อนปรากฏว่าก็หาไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะว่าจะรบจะพูดกับใครดีเมื่อคือนก็เจอประหลัดกระทรวงนึกจะคุยกันแล้วมองมันพัฒนาความคิดแต่มันความคิดอะไรมันคิดจะสร้างสารรค์คนอื่นนะ่ยตัวเองไม่มีริเริ่มเลยคือคือคือมันขาดขาดวิญญาณนะฮะ ขัดไววพริบปฏิพัน์ในการทำงานเนี่ยแล้วก็ในที่สุดสิ่งที่ไม่น่าจะมีปัญหามันก็มีปัญหาขึ้นมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะครับว่าคนระดับนี้ฮะที่จริงแทบวางอยู่ข้างหลังนี่มาก็เห็นเนืว่าแกอัดแล้วเรากุสาตั้งใจพูดเส็จดีเลยเพื่อนไม่อัดเลยให้เนี่ยคือ ความคิดเนี่ยฮะมันมันอะไรช้านะไปศาสตรช้าได้เกินสั่งงานช้าได้เกินแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นมีวิญญาณนะฮะยังก็มีวิญญาณปัจจุบันเนี่ยมาพยายามเน้นเรื่องวิญญาณเวลากับครูเนี่ยฮะพยายามพูดเรื่องวิญญาณเพราะเดี๋ยวนี้คนสองวิญญาณมันมากเกินเป็นพระก็มีวิญญาณนักธุรกิจ ไปในงานศพแห่งหนึ่งญาติโยมบริจาคหนังสือจะแจกจะแจกชาวบ้านสมภารเห็นหนังสือเล่มใหญ่เสนอจะขายโยมที่มาเผาศ พ, อพเอาเขกัพ่อสิเป็นนักธุรกิจนะขนาดเนี้ยอาจารย์กรรมฐ า, านะเป็นนักธุรกิจคิดจะขายหนังสือแจกงานศพแล้วก็ครูก็มีวิญญาณนักธุรกิจทาอะไรก็ต้องการเป็นเงินเป็นทองหมอก็มีวิญญาณนักธุรกิจ อยู่ที่โรงพยาบาลไม่ทาราอยู่ที่คลินิกมากกว่าโรงพยาบาลนินทามหมอเจอหมอก็ไมันไกัเนี้ยคือสรุปว่าวิญญาณนักธุรกิจบัญเยะเลยเนี่ยมันต้องการผลต้องการกําไรต้องการผลประโยชน์กันมากแล้วเลยเรื่องที่มันควจะดีมันก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ไปเพราะงั้นจำจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างวิญญาณในฐานะชาวบ้านเราก็คือพุทธศาสนาเนี้ก็ต้องเสร็ เสริมสร้างวิญญาณพุทธศาสนิกที่พร้อมจะเรียนรู้ศึกษาทําและปฏิบัติจนสัมผัสผลของพระพุทธศาสนาแล้วนําธรรมะไปชี้แจงในขณะเดียวกันต้องแก้ไขปรับประวาติคือการบิดเบือนสุประมารดูมิน่นพระพุทธศาสนาซึ่งหลักการบริจตฐานพระศาสนาของพระุทธเจ้านั้นมีอยู่สี่เป้าห้าเป้านะคือหนึ่งให้มีการเรียนรู้สองให้มีการปฏิบัติ3ให้สัมผัสผลสี 4, ให้เผยแผ่5แก้ปรับประวาติ แก้รรบรรวาฏคนอื่นได้จึงจะรักษาภาษาศาสนาไว้ได้และเป็นงานที่ชาวพุทธจะต้องทําด้วยวิญญาณจริงๆคือลดวิญญาณนักธุรกิจลงมาวิญญาณนักธุรกิจก็ก็มีก็มีนะฮะแต่ว่ามีตามสมควรแก่ฐานนะที่เราเป็นวิญญาณของบุคคลนั้นเองไม่ต้องสายวิญญาณนักธุรกิจเพราะธุรกิจมันต้องคิดเป็นกําไรทุกทีแต่ให้มีวิญญาณของบุคคลเหล่านั้น และงานการในฐานะต่างๆที่บุคคลเป็นอยู่ก็จะประสบควาสมสาเร็จเป็นผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาติาศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองมากยิ่งขึ้นสมวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี